ถ้าทำมเทศนาของท่นานหลวงตาและหลวงศักดิ์ีนา น, นโยต่อเมื่อรู้สักแต่ว่ารู้เมื่อนั้นเราจะไม่มีตอนที่สองและพุจะเจา้าพูดอยู่คำนนานึนงตอนต่อไปเราหลับเร็วมากบัด น, นี้เราตื่นแล้ว เราตื่นจากความหลงแล้วเนียที่พระเจ้าตรัสว่าบัดนี้เราตื่นแล้วตอนที่พระเจ้าตรัสรู้ เ, ł, เป็นอาตมาตรรมบุทรเจ้าแล้วอ ต, ลตอนเช้าพระเจ้าตรัสรู้ตอนเช้าพระเจ้าลำพึงขึ้นว่าเราหลับเร็วมากหรือหลับมานานมากคือความหลงมานานมากเลยบัดนี้เราตื่นแล้วตื่นจากความหลงเพราะอะไรตื่นจากความหลงเมื่อความปรารถนาความสุขหมดไป ความทุกข์ก็หมดไปพร้อมผูเจ้าเป็นผู้หมดปราถนาแล้วไม่มีความปราถนาแม้แต่ความสุขหมดความปราถนาแม้แต่พระนิพพานเพราะความหมดความปราถนาความสุขความพ้นทุกข์หมดไปคือปราถนาความพ้นทุกข์ด้วยนะ คือความวทุกข์ก็คือความสุข ก, กันเองเมื่อความปัถนาความพ้นทุกข์หรือความปัจนาความสุขหรือความปัถนาพระนิพพานหมดไปความกลัวว่าจะเกิดทุกข์ก็หมดไปพร้อมเนี่ที่พระเจ้าค้นพบความจริงตรงนี้และตัดไปในคลิปมานนทศูดก็มีจริงๆในตัดกับพระอนอนท์เพราะนั้น เราหยุดแล้วเราหมดความปรารถนาใดๆในโลกแล้วแม้แต่ปรารถนาความสุขปรารถนาความพุนทุปรารถนาปฏิภัณฑ์เราว่างแล้วเราสงบแล้วเราสงบเย็นแล้วเราไม่เร่าร้อนที่จะเอาอะไรจะดิ้นรนใหถึงอะไรอีกแล้วนั่นคือปล่อยวางเราปล่อยวางหมดสิ้นทุกอย่างแล้วคือปล่อยวางความปรารถนาดใดๆหมดสิ้นแล้ว ไปวางความพยายามที่จะให้ถึงไม่ได้หลายหมดแล้วเราจรึงสงบเย็นแต่ขันห้ายังไม่ดับเขาก็ต้องแสดงความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ของเขาตามปกติที่ไม่มีใครเคยแทรกแซงขันห้าจึงเป็นฝ่ายที่กระเพื่อมเป็นฝ่ายที่แสดงกิริยาการแต่เราไม่เคยปรากฏการกระเพื่อมเลยไม่ปรากฏการเคลื่อนไหวใดๆในใจเราใจเราคงไม่ปรากฏการกระเพื่อมตลอดการ แต่จิตเขาก็เพื่มตลอดการแต่ใจเราไม่กระเพื่อมตลอดการแต่จิตเขาก็เพื่มเขาเกิดขึ้นแล้วเขาก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปของเขาเองเพราะเขาเป็นขันห้าที่ยังไม่ดับไปเมื Bree ่อสิ้นอายุไขขันห้าหรือจิตที่กระเพื่อมนั้นก็ดับไปเพราะตกอยู่ใต้กฎอนิจจังทุกขังอนาตตาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมดับไปทั้งหมดเป็นธรรมดาแต่ใจที่หยุดแล้วที่ปล่อยวางหมดแล้วที่ไม่มีตัวตน ไม่มีเกิดไม่มีการดับเพราะในขณะปัจจุบันก็ไม่มีใจที่มีกิาการเกิดขึ้นเมื่อไม่มีการเกิดขึ้นจงไม่มีการดับไม่มีการตายเหตุที่มีการเกิดไม่มีการดับไม่มีตายเพราะหยุดหมดแล้วหยุดดิ้นรนหยุดค้นหาหยุดปรารถนาหยุดอยากถึงหยุดอยากได้หยุดอยากเป็นไม่มีความปรารถนาใดๆลงเลย แม้แต่ความปรารถนาความพ้นทุกข์ปรารถนาความสุขปรารถนาพริพานเมื่อความปรารถนายังมีอยู่ความทุกข์ก็ย่อมยังมีอยู่เมื่อความปรารถนาความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ปรารถนาพระนิพพานหมดไปความกลัวว่าจะเกิดทุกข์ก็หมดไปพร้อมนั่นแหนะพุทธะ พุทธะเนี่ยมีอยู่แล้วในทุกในใจของทุกคนในพระเจ้าในพระหลานในพระตชนในสัตว์เดรัจฉานในเปรตในสัตว์กายในสัตว์นรกในเทพเจ้าทั้งหมดมีอยู่แล้วแต่เราเทนั้นนะที่ยังไม่อยู่ถ้าเราเมื่อไหร่เราหยุดปรารถนาหยุดดิ้นรนหยุดก้นหาหยุดพยายามหยุดอยากแค่นั้นแหละจากใจของเราจริงๆก็จะพบพุทธะอยู่เป็นพุทธะเองอัตโนมัติเพราะพุทธะ ไม่มีความอยากไม่มีความดิ้นรนไม่มีความปรารถนานะเพราะพุทธะพูดเองว่าเพราะความปรารถนาความสุขหรือความทนทุกข์หมดไปความกลัว ว, ว, ว้าจะเกิดความกังวลว่จะเกิดความทุกข์ก็หมดไปพอนั่นแหละพุทธะดังนั้นพุทธะก็คือจิตเดิมแท้ของเราเมื่อไหร่ที่หยุดปรารถนาหยุดดิ้นรนหยุดกวนหาหยุดพยายาม หยุดหนีความทุกข์หยุดโผยหาความสุขหยุดดิ้นรนค้นหาหยุดดิ้นรนหลีกหนีความทุกข์หยุดดิ้นรนที่จะโผลหาความสุขเพราะพุทธะหมดความดิ้นรนหยุดดิ้นรนหยุดปารธนาจึงสงบเยน็นไม่ปรากฏกิริยาการใดเลยเหลือแต่ ขันห้าหรือจิตจีก็แสดงกิริยาการเป็นความคิดความนึกความตึกความตองความปรุงแตง่งขันห้าคืออะไรก็คือตัวเราเนี่ยกายเนื้อตัวเรานะี่เนี่ยคือตัวเราเนี่ยที่ยังคิดนกึกตึกตองปรุงแตง่งเนี่ยเป็นขันห้าตัวเรานี่เนี่ยที่คิดอยู่ตอนเนี้ยที่คิดตามเราอยู่ตอนเนี้ที่ปึกอยู่นี่นะอันนี้เป็นขันห้าหาใช่พุทธะไหมพุทธะคือใจที่ไม่ปรากฏอะไรแล้วไม่ปรากฏตัวตนใด เป็นใจที่เปรียบเหมือนกับเป็นความว่างเปล่าของธรรมชาติของจักรวาลไปแล้วแต่ในความในใจที่ไม่ปรากฏอะไรเป็นเหมือนกับความว่างเปล่าของจักรวาลแล้วพุทธาก็รู้อยู่ตลอดเวลาว่าภายในใจนั้นมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มีกิริยาอาการ ใ, ใดๆทั้งที่ถูกใจไม่ถูกใจเป็นกุศลนากุศล ใ, ใ, ใดๆก็ตามเขาเกิดขึ้นเองและเขาก็ดับไปเองเขาเกิดขึ้นเองแล้วก็ดับไปเอง ไม่มีใครไปแทรกแซงเขาไม่มีใครไปยึดบ้านถือบ้านเขาเพราะใจเป็นความว่างเปล่าจากตัวตนไปหมดสิทธแล้วเกีวกับความไม่อยุดของการที่มนุษย์ค้นหาเป็นมันสำคัญเพราะใช่เหมือ น, น, น, น, นกั น, นแต่ไม่ได้เป็นหลังเกียร์นะ่นแหะการไม่อยู่คือผู้ที่ วิ่งหาอู่ตลอดเลาถ้าตับไ ด, ด, ด้ยังมีผู้ที่หลดค้นหายังมีผู้วิ่งหาตับนั้นก็ยังมีตัวมีตน <c oughs> มีตัวเรามีตัวตนของเราเป็นผู้หาพอเราไม่เคยยเลยแล้วลองแปลตันหาสิตันหาเป็นต้นเหตุใหญ่ เป็นต้นเหตุสําคัญที่เกิดทุกข์เกิดความยึดมั่นถือมั่นเกิดพบเกิดชาติเกิดความทุกข์โศกเศร้าเสียใจขับแค้นใจเพราะปีตัญหาเนี่ยเป็นต้นเหตุแ ล, ล้วลวงมีผู้ถามหลวงปู่ฟ้นานจารโลว่าตัญหาเนี่ยพฤติกรรมของตัญหานั้นเป็นยังไงหลวงปู่ฟัานบอกว่าให้พวนกับคําของตัญหาสิพวนกับคําตัญหาคืออะไรเออ เที่ยวเนี่ยที่หาก็คือตันมันจะตันไปหมดเลยคือในแหนคือตันหาและตันหานี่แน่เป็นต้นเหตุแห่งทุกต้นเหตุแห่ง ก, การยึดมั่นถือมั่นต้นเหตุแห่งการเป็นว่ายใสเกิดสิ้นตันหาอุปทานก็ดับเพราะตันหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปทานอุปทานเป็นปัจจัยให้เกิดพบพบปัจจัยกายเป็นปัจจัยเกิดชาติชาติเป็นปัจจัยเกิดชรามรณะโสกปริเดีวาทุกขโทนุไฟยาสาป ทุกโศกเศร้าเสียใจขับแค้นใจแล้วก็วนเกิดไปเป็นการเวียนว่ายตายเกิดขึ้น อ, อวิชชาอีกอวิชชาก็คือยังหลงเอาขันหา้าเอาตัวเราเนี่ยที่กำลังคิดนึกติดตองตามบุงแตงตามเราเนี่ยเป็นเราเป็นตัวตนของเราเราไม่เห็นว่าไอขันห้าที่กำลังติดตอนเนี่ยมันไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะว่า เรามันคิดนั่นคือปรงแต่งไม่ได้เพราะธรรมชาติของพุทธะึ่งเป็นรู้ได้แต่รู้แต่มันคิดปงแต่งไม่ได้ไอ้ที่คิดปงแต่งไม่ได้นั่นคือขันห้าคือจิตที่แสดงกิริยาอาการแต่พุท ธ, ธะมันคิดไม่ได้ได้แต่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจของพุท ธ, ธะไอ้ตัวเราที่คิดอยู่เนี่ยไม่ใช่พุทธะเราเนี่ยคือพุท ธ, ธะเราไม่ใช่ตัวเราเนี่ยที่มีความคิดปลุกปองแต่ง แต่เรากลับไปเอาไอ้ตัวเราที่คิดติดตอนปูงแต่งเนี่ยเป็นตัวเราซะเราเลยพยายามเอาตัวเราขันห้าไปดี้หล่นค้นหาไปพยายามแต่เรานี่แท้จริงคือพุท ธ, ธะที่มีอยู่แล้วในใจของทุกคนไม่ว่าจะพระเจ้ธธาพราหันหรือสัพสัตทั้งหลายล้วนมีพุท ธ, ธะอยู่แล้วในใจของทุกคนแต่เราไปหลงเอาไว้ไอ้ตัวขันห้าคือตัวเราที่กำลังคิดบุงแตงตามเราพูดเนี่ยเป็นเราเป็นตัวตนของเรา แต่พุทธะเขาคิดปรุงแต่งไม่ได้เขาเป็นใจที่รู้ได้ว่ามีอะไรมาเกิดขึ้นในใจมีความคิดความนึกความเตึดความตองรู้ว่าเรากําลังคิดอะไรอยู่เนี่ยเรากําลังคิดตามอาจารย์พูดไว้ยังไงคิดนึกตึก ต, ตามอาจารย์พูดไว้ยในในังไงไอ้เราที่กําลังตึกตองได้ที่กําลังวิเคราะห์ตามที่อาจารย์พูดยังไงเนี่ยอันนี้เป็นขนันธ์ห้าเป็นจิตที่ปรุงแต่งที่เกิดขึ้นในใจของพุทธะ ตึ้งไม่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างอะไรเลยเพราะพุท ธ, ธะคิดปรุงแต่งไม่ได้ดังนั้นในตัวเราที่คิดปรุงแต่งจริงไม่ใช่ตัวเราเพราะเราคือพุท ธ, ธะซึ่งรู้ว่ามีอะไรมาคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นในใจของเราแล้วก็ดับไปพุท ธ, ธะเป็นใจที่ว่างเปล่าเช่นเดียวกับความว่างเปล่าของจักรวาลของธรรมชาติจึงมีหนังสือพอลงตามมหาบัวเล่มนึเขียนว่าอาวากาศแห่งจิตเดิมแท้ คุถะนั่นแหละคือเอาากาศแห่งจิตเดิมแท้หรือจิตเดิมแท้เนี่ยมีสภาพเช่นเดียวกับความเป็นอวกาศเป็นดึงเดียวกับอากาศไม่มีวงไม่มีดวงไม่มีก้อนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยไม่มีขอบเขตด้วยเป็นความว่า ง, างเช่นเดียวกับอากาศแต่ไม่ได้เป็นความรู้สึกว่างที่ไปจับไว้ที่เอาตัวเราไปสร้างความรู้สึกว่างไว้ไอ้ตัวเราที่ไปสร้างความรู้สึกว่างไว้เนี่ยมันเป็น ความรู้สึกว่างที่สร้างไว้มันเป็นจิตปรุงแต่งมันเป็นจิตปรุงแต่งที่ไปสร้างความรู้สึกว่างไว้แล้วเอาตัวเราเนี่ยที่เป็นขันห้าเนี่ยไปปรุงแต่งเป็นความรู้สึกว่างแล้วก็ปรุงแต่งเป็นตัวเราเนี่ยไปเสดความรู้สึกว่างที่เราปรุงแต่งไว้แต่อันนี้มันคือใจมันเนี่ยว่างเปล่าจากตัวต้นว่างเปล่าจากการเคลื่อนที่ว่างเปล่าจากกิริยาการใดๆ แต่มันมีตัวเราเนี่ยที่กําลังปรุงความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยมันปรุงเป็นความนึกความคิดติดต o n ตามที่เราพูดเนี่ยอยู่ในใจเพราะอะไรใจมบรรลุนี่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นอยู่ในใจคิดอะไรอยู่เรากําลังคิดอะไรกําลังนึกอะไรกําลังติดต o n ตามอะไรไปไอ้ที่รู้เนี่ยคือใจคือพุทธะแต่เราไปเอาเองตัวเราที่กําลังคิดเนี่ยเป็นพุทธะคือเป็นตัวเราแต่ความจริงอ่ะตัวเราเนี่ยคือใจที่ไปรู้ว่าเนี่ย เรากาลัง no คิดอะไรอยู่ในใจแต่เราไปเอาไอ้ไอ้ตัวเราที่กำลังคิดอะไรในใจเนี่ยเป็นตัวเรามันกลับด้านเปนคนละตัวแต่แท้จริงตัวเราเนี่ยคือใจหรือเป็นพุทธะที่ไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยมีแต่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจว่าไอ้ตัวเราเนี่ยที่กำลังคิดนึกตอนตามเราเนี่ยไอเนี้ยมันไม่ใช่ตัวเราตัวเราที่กำลังคิดอะไรนึกๆึตอนปรุงแต่งตามตามอะไรเนี่ยใจมันรู้หมด ว่าเนี่ยเรากำลังคิดอะไรอยู่ในใจเรากําลังคิดอย่างนู้นเรากำลังคิดนี้แม้แต่คิดกูส่วนหักกูสนคิดเห็นด้วยคิดไม่เห็นด้วยคิดขัดแยง้งคิดโตแยง้งอันเนี้ยมันพูดดีเรานี่กําลังค<ๆ>ิดเนี Stevens, ่ยไม่ใช่ตัวเราแต่ที่เรารู้ว่าตัวเรากําลังคิดอะไรเนี่ยหรือเรียกว่าใจเนี่ยไม่ใช่ว่าใจหรือพุทธะเนี่ยนั่นแหละคือถ้าจะเปรียบสมมุติก็คือตัวเราที่แท้จริงจึงเรียกว่าอวกาศแห่งจิตเดิมแท้ๆของเรา ใจเขาไม่มีตัวตนเขาไม่ยึดอะไรเลยไม่สามารถยึดอะไรได้เขาจึงว่างเปล่าและไม่มีความทุกข์ใดๆไม่ปรากฏความเคลื่อนไหวใดๆไม่ปรากฏการกระเพิ่ ม, มใดๆแม้แต่นิดเดียว ต่อให้จิตดิคันห้าคือตัวเราเนี่ยที่คิดติดตอปงแต่งอย่างไรก็ตามไม่มีใจที่กระเพื่อมเลยแต่เราคงติดตอของเราตามที่เราพูดตลอดไปแต่ใจคงไม่กระเพื่อมไม่มีกิริยาอะไรกระเพื่อมตลอดการเพียงแต่รู้ว่ามีอะไรมาเกิดขึ้นในใจแล้วก็ดับไปของเขาเอง มีความรู้สึกมันคิดติกต่อบแบอย่างไดเกิดขึ้นในใจในขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันแล้วเขากระดั บ, บของเขาไปเองเรียกว่ามีแต่จิตปรุงแต่งขึ้นมาเองแล้วกระดับไปเองจิตคือปรุงแต่งขึ้นมาให้ใจได้รับรู้ขึ้นมาเองแล้วเขากระดับของเขาไปเองมีแต่จิตที่แสดงปรุงแต่งเป็นความรู้สึกมันคิดอารมณ์อะไรขึ้นมาของเขาเองแล้วก็กระดับไปของเขาเองใจก็มีไดแต่เพียงรับรู้ที่ตัวตนไม่มีกิกริยาการใดๆที่ปรากฏกระเพื่อมไป้จบก็ไม่มี ได้แต่รู้สิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ใจไม่ปรากฏการเกิดเกิดขึ้นไม่ปรากฏการดับไปไม่ปรากฏตัวตนของผู้รู้ไม่ปรากฏอาการที่เขาไปรู้ไปเพ่มไปจอ้องแต่รู้ว่ามีกิริยาอาการใดๆในใจแล้วก็ดับไปนั่นแห่คืออวกาศแห่งจิตเดิมแท้ๆของเราทุกคนหรือเรียกว่าพธธาุทธะดังนั้นเนี่ยมัน ไม่สามารถที่จะเข้าถึงความจริงที่เราพูดเนี่ยซึ่งเป็นความจริงแท้ตามธรรมชาติของพุทธะได้เลยถ้าเรายังคิดเอาความคิดของเราจะคิดวิเคราะห์ไปให้ถึงตรงนั้นเพราะเราคิดยังไงก็คือเรากลายเป็นฝักเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งเรื่อยไปไม่ว่าเราจะคิดหาเหตุผลวิเคราะห์ออยังไงก็ตามเราจะกลายเป็นจิตที่ปรุงแต่งเรื่อยไปเราจะเป็นหนึ่งเดียวกับ ธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งได้คือเราต้องเห็นว่าจิตที่คิดปรุงแต่งคือตัวเราเนี่ยที่กาลังคิดวิเคราะห์ตามเราพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ปรากฏให้ใจได้รับรู้เท่านั้นใจมันได้แต่รับรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจคือเราเนี่ยที่กาลังคิดปรุงแต่งอะไรได้แต่รู้ว่ามีสิ่งใดเกิดขึ้นใน ใ, นใจแต่เราไม่ได้เคยหลงไปเลยว่าเราไปเป็นคนคิด หรือเป็นจิตที่ปรุงแต่งที่เกิดขึ้นในใจแต่เราเป็นใจผู้รู้ขันห้าหรือจิตที่มันปรุงแต่งที่เกิดขึ้นในใจที่ท่านกล่าวว่าใจเปรียบเหมือนคันหรือเหมือนมดลูกของผู้หญิงส่วนตัวเราเนี่ยสิคิดตึกตึกตอนปรุงแต่งไปได้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราเราเนี่ยเป็นใจหรือมดลูกหรือเป็นคันของผู้หญิง ไปตัวเราที่คิดตึงตึงตอมปงแต่งเนี่ยมันเป็นเด็กที่มาเกิดในคันนั้นตัวเราเนี่ยที่กำลังวิเคราะห์ตึกตองที่คิดตึกตองตามไปที่ดิ้นหล่นค้นหาที่พยายามไงก็ตามเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราแต่เป็นเป็นเด็กที่มาเกิดในคั น, นแต่ละขณะแล้วคลอดออกไปเด็ก <ili> ที่มาเกิดในครันแต่ละขณะแล้วคลอดออกไปส่วนใจเนี่ยก็คงเป็นคันหรือมดลูกตลอดไปเป็นคันเดิมเป็นจิตเดิมแท้ เรียบเหมือนกับว่าจิตเดิมแท้ที่ก่าอาวกาศแห่งจิตเดิมแท้คือเป็นคันแห่งอวกาศเลยไม่ใช่ว่าเป็นคันเหมือนกับบุตรลูก ใ, ในท้องของเราแต่มันเป็นคันแห่งอวกาศในจิตเดิมแท้แล้วก็มีเด็กที่มาเกิดในคันนั้นคือตัวเรานี่แนี่ยที่กาลังคิดนึกติ๊ดตองปุงแต่งอยู่ตลอดเวลาแม้แต่วิเคราะห์ตามที่เราพูดขณะ น, นี้มันเป็นเด็กในคัน ทีคิดนัือตองมุงแต่งตัวเราที่กำังคิดเนี่ยเป็นเด็กที่เกิดในคันแล้วก็ดับไปเด็กที่เกิดในคันแล้วก็ดับไปคือคอดไปคอดไปเท่าไปแต่คันหรือจักรวาลเดิมเนี่ยที่เป็นที่ให้เด็กได้มาเกิดเนี่ยก็คงเป็นคันหรือจั ก, กรวาลที่ว่างเปล่าอยู่อย่างนั้นแนะแต่ไอ้ตัวเราที่คิดนั่นคือตองมุงแตงเนี่ยมันเป็นเด็กที่มาเกิดในคันแล้วก็คอดไปคอดไ ป, ไ ป, ไปดับไปดับไปเราเป็นจิตเดิมจะแท้หรือใจหรือเป็นคันของจั ก, กรวาล น, นี่เนี่ยแต่ไอ้ตัวเราที่คิดนั่นคอตองแตงเป็นเด็กที่มาเกกิดดในนคััแล้ว็บไป เราไม่ใช่เอาตัวเราพยายามไปคิดว <im less> <ล>ิเคราะห์ให้เราเนี่ยกลายปเป็นเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งไม่ได้เพราะตามดาที่เราจะคิดวิเคราะห์เราก็กลายเป็นเด็กในครันเรื่อยไปเราหาใช่เราไม่มีโอกาสเป็นใจเลยไม่ไม่มีโอกาสเป็นครันหรือใจ ท, ที่ที่รู้เด็กที่มาเกิดในครันเลยเราทําปิดประเภศปิดหน้าที่เหมือนเขาจ้างเรามาเนี่ยจ้างเรามาให้เป็นผู้รู้อย่างเดียวไม่ให้เราไปเป็นเด็กในครันไปเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ตึกผู้ตองผู้ <im lessness> ปรุงแต่งเราเป็นเพียงครันหรือ เป็นคันเป็นคันที่ให้กําเนิดจิตทิ่คิดปลุกตองปลงแต่งมาเกิดแล้วก็ดับไปดับไปให้ทําหน้าที่อย่างนี้เขาจ้างเอามาให้ทําหน้าที่เป็นคันว่ามีเด็กเขาได้มาเกิดในคันบ้างแล้วก็จับไปเด็กในคันอะไรมาเกิดในคันแล้วจับไปแต่เราไปผิดหน้าที่เราบอกไม่อยากถ้าเป็นผู้รู้เราจะทําหน้าที่ของเด็กคือเราไปทําให้เด็กมาเกิดคือเราไปกลายเป็นคนทาหน้าที่คิดตึกตึกองพยายามคิดตึกตึกตองไม่ว่าเราจะ คิดวิเคราะห์ตลอดชีวิตของเราจนไม่ว่ากี่ชาติถ้าเราจะเป็นเด็กในครันอยู่เราไม่มีโอกาส เ, เป็นคันได้เพราะเราเพียงแต่ทําผิดหน้าที่เขาให้ทําหน้าที่เป็นคันเองจั ก, กรวาลเดิมหรือจเดิมแท้เป็นผู้รู้เด็กที่มาเกิดในครันนะแล้วก็ผ่านไปอคอยรายงานว่ามีเด็กอะไรมาเกิดในครันคือคือตัวเราเนี่ยที่กําลังคิดนึกติ๊งตองปลุกแต่งที่เกิดขึ้นมาคืาเด็กใ น, นคันคุณใหม่เกิดมาแล้วก็ดับไปแเราก็คงแค่ทําหน้าที่รายงานผู้ที่มาจ้างเรา ให้เป็นผ th. cool ู้รู้ว่าตอนนี้มีเด็กคนไหนมาเกิดในครันมีเด็กคนไหนมาเกิดในคันมีกิริยาการอย่างไรมาเกิดในคันแล้วก็ดุดออกไปรอดออกไปหลุดออกไปรอดออกไปดับไปดับไปดับไปเราก็คงมีหน้าที่รายงานว่ามีอะไรเกิดขึ้นในคันคือมีความรู้สึกมีกิจอารมอะไรเกิดขึ้นในครันแล้วก็ดับไปหายไปมีหน้าที่รายงานพูดผู้มาจ้างเราอะไรแค่เงี้ยแต่เราเนี่ยทำผิดหน้าที่เรากลายไปเป็นเด็กในครันตัวเองเราไม่อยากเป็นผู้รู้ แต่เรา เ, ออเพราะว่าผู้รู้มันไม่มีอาการอะไรลและไม่มีเกรียากา ร, รเลยเลยมันไม่มันเราก็กลายไปเป็นผู้คิดผู้คิดผุนุละผู้ตอผู้หาเหตุผล<ม>เราก็กลายเป็นเด็กที่เกิดในคันเล่ไปถูกต้องเลยโดยที่เราต้องรู้ว่าเราเป็นคันหรือเป็นคันที่ไม่มีอาการไม่มีอะไรเลยแต่ ถ้าตัวเราที่แสดงการเป็นเด็กในคันแค่นี้เนยรู้อันเนี้ยพร้อมกับความเข้าใจไปด้วยพร้อมกันในใจของเราใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องเล ย, เลยแค่นี้อย่างเดียวเท่านั้นเลยที่พระเจ้าตรัสกับภยาภยะว่าพยะที่เป็นคารวาชที่เคยเกิดในสมัยพระเจ้าก่อนๆนู้นแล้วก็พากันขึ้นไปปฏิบัติที่หน้าผาแล้วก็เอาไม้ที่ผัก ลงหน้าผาทิ้งองไปแล้วก็บอกว่าให้เราจะฉันกันเฉพาะข้าวที่กับน้ําที่เอามานี้แล้วไม่ยอมฉันอย่างอื่นจนถ้าเราไม่พ้นทุกข์บรรลุยอมตายแล้วก็มีองค์นึงก็บรรลุอาหารหันต์ไปแล้วก็ปฏิฐานจิตไปเหาะเอาอาหารมาเลี้ยงผู้ที่ที่เหลือผู้ที่เหลือไม่ยอมกินบอกว่าเราผิดสัญญากันไว้ว่าเราจะฉันเฉพาะที่เอามาแต่คนไหน่สําเร็จแล้วให้ไปเหาะไปไม่ได้พูดกันอย่างนี้แต่เฉพาะฉันที่เอามา เลยไม่ยอมฉันแล้วท่านนั้นตายไปองค์ที่สองก็บรรลุอนาคามีอธิการจิตออกไปเอาอาหารมาเลี้ยงพวกพี่เหลือเพราะจะอดตายหมดแล้วกําลังหมดแรงพวกนี้ไม่ยอมฉันเพราะว่าผิดสัญญาผิดสัจจะที่ตั้งไว้ว่าจะฉันจะเฉพาะที่เอามาไม่ได้ว่าใครสําเร็จแล้วไปหอไปเอามาไมใจเลยตายหมดเลยห้าคนเพราะมาเกิดใหม่ในสมัยพุทธเจ้าของเราองค์นึงชื่อพาหิยาเป็นไม่ใช่เป็นพระเป็นฆราวาสแต่ปฏิบัติผิดเป็นหรือเป็นชีเปือย ก็เลยเพื่อนที่อนาคามีอยู่บนยังไม่บรรลุอรหันต์อยู่บนบนสวรรค์ชั้นอยู่ชั้นในโลกสุทาวาสที่เป็นชั้นของอนาคามีเลยลงมาว่ามาต่อเพื่อนมามามาม า, มาว่าเพื่อนคือมาว่าพัยยะเนี่ยขนาดปฏิบัติจนยอมเอาชีวิตเข้าแล่ถึงกับล้มตายบนหน้าผาทําทไมเนี่ยในชาตินี้ยังมาหลอกชาวบ้านเป็นชีบเบื่อไปหลอกว่าตัวเองบรรลุอรหันต์แล้วล่ะ ได้ เ, เสียใจว่าโอ้โหตัวเองทําทำไมลําบากขนาดนี้เลยดิ้นหล่นนี่ไงพยายามเดินทั้งวันทั้งคืนไปหาพระเจ้าบอกว่าวัดนี้พระเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกอยู่ที่วัดเชตวันไปหาพระเจ้าเดี๋ยวนี้เลยตอนนี้เนี่ยพอรู้ถึงเหตุการณ์เก่าของตัวเองว่าโอ้โหยอมตายสละชีวิตอย่างนี้เลยเลยคิวโหยนิพพานมากเลยนิพพานมันคืออะไรนิพพานมันคืออะไรนิพพานคืออะไร เราจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรนิพพานเนี่ยคือความพ้นทุกข์เนี่ยเราจะพ้นทุกข์ในปัจจุบันได้ยังไงจะพ้นนิพพานในปัจจุบันได้ยังไงมันหิวโหยมากเลยเพราะมันหิวโหยมาข้ามพบข้ามชาติที่หล่นมาแล้วมาหลายพบหลายชาติแล้วพอรู้กํามพื้นกับตัวเองมาอย่างนี้ปุ๊บไม่หลับไม่นอนเลยเดินระยะทางหลายแล้วยกไปเจอพระพุทธเจ้าบุนกราบิฏาบการถนนกอดเท้าเลยพอองค์เมตตาพระพุทธเจ้าหิวพ้นนิพพานมากเลยหิวหิวโปรดบอกข้าพุทเจ้าว่าความจะพ้นทุกข์บนนิพพานเนี่ย คืออย่างไรจะทําได้อย่างไรจะพบมันได้อย่างไรพระเจ้าพยาพยามปอบพยะเธินเล่าร้อนมากเกินไปเราบินฑบาตมันไม่ใช่เวลาไ ม, ม่เวลาที่จะมาสอนทำอะไรนะพยาจะปอบให้คลาย ท, ที่มันตึ่นเต้นของ ม, มันมันโหยอยู่โหยเลยนะจนค่อยๆคลายตัวลงคลายคลายหลงแต่ก็ไม่ไม่ลดละพระเจ้าเห็นคลายมากแล้วพอจนควรแล้วก็เลยว่าเธอฟังให้ดีไพยะ การที่จะบรรลุพระนิพพานาสิ้นทุกในปัจจุบันเธอเพียงแต่เห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินรู้แจ้งอาการทางใจอย่างไรสักแต่ว่ารูก้ก็จะไม่มีตัวตนของเธอในปัจจุบันจะไม่มีตัวตนของเธอในพบไ่ไหนเมื่อไม่มีตัวตนของเธอก็เธอก็จะไม่มีความทุกข์ทั้งในปัจจุบันและในไหนทั้งหมดนี่แน่ พันิพานา พ, พยะเข้าใจเลยว่าอ๋อพันิพาเนี่ยคือสักแต่ว่ารับรู้อย่างที่มันเป็นบรรลุอลหรหันต์เลยเพราะมันโหยหามาข้ามภพข้ามชาติมันวางหมดเลยที่มันจะคิดจะดิ้นลนจะวิเคราะห์วิจัยมันสักแต่ว่ารู้ อย่างที่มันเป็นนี่เองอ่ะที่รูวงพุท้าว่าผู้ซื่อซื่อหูซื่อซือนี่ยคือรู้อย่างที่มันเป็นไม่ใช่เอาตัวเราไปรู้มันเป็นธรรมชาติปล่อยให้มันเป็นอย่างที่มันเป็นบรรูุ้อาหารเลยเนี่ยที่ติวบอว่ามันแค่นี้ใช่ไหมมันจับแล้วว่ารู้แค่นี้เอง เดินแค่นี้เอถ้าเราเป็นคันหรือเป็นมะลุกอย่างจากกักรวาลเดิมแล้วแล้วปล่อยให้รู้ว่าภายในคันมันมีใครมาเกิดมีความรู้สึกมนคิดอะไรอย่ามาเกิดก็คือตัวเราที่กาลังคิดอยู่เดือนนี้เน่มันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นเด็กที่มาเกิดในคันแต่เราไม่ใช่ตัวเราที่กำลังกําลังคิดคิดวิเคราะห์ตามเราแต่เราคือคันที่รู้ว่าคันหรือใจที่รู้ว่ามีอะไรมาเกิดขึ้นในใจมันก็เลยจะการเป็นศัตรูรู้ไปเองเพราะเราเป็นใจไม่ใช่เป็นเด็ก เราเป็นใจหรือเป็นคันแต่แล้วเราไม่เป็นเด็กที่มาเกิดในคันมันก็เลยได้แต่เพียงว่าสั่งทำหน้าที่แต่จะเพียงว่าคันเนี่ยมันก็เลยสั่แต่ว่ารับรู้ใจหรือรับรู้จิตที่ปรุงแต่งด้วยเด็กที่มาเกิดในคันแค่นั้นเองมันเป็นธรรมชาติที่ต้องสั่งแต่ว่ารับรู้เพราะมันเป็นเป็นคันหรือเป็นใจแค่นั้นเนี่ยส่วนเด็กที่มาเกิดมันก็เป็นเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งแต่คันหรือใจเนี่ยมันปรุงแต่งไม่ได้มันเป็นธรรมชาติของมันที่มันจะต้องสั่แต่ว่ารับรู้มันเลยเป็นนิพพานมันไม่มีผู้ประ ไม่มีผู้เป็นปรุงแต่งไม่มีผู้เป็นแท้แต่งมันเลยบรรลุวัณณีภาระคือบรรลุความสิ้นถุบรรลุนิพายก็คือบรรลุผู้ยึดมั่นถือมั่นไม่มีตัวตนผู้ยึดมั่นถือมั่นมันเป็นธรรมชาติที่ยึดกันไม่ได้ระหว่างคันกับเด็กในคันมันเป็นธรรมชาติที่ยึดกันไม่ได้ระหว่างผู้รู้ที่เป็นธรรมชาติของป่ายรู้กับธรรมชาติฝ่ายที่ปรุงแต่งคือตัวเราเนี่ยที่เป็นกายเนื้อเนี่ยที่ปรุงแต่ง มันสองอันเนี่ยมันเป็นธรรมชาติคนละหน้าที่มันยึดกันไม่ได้จึงเข้าใจของธรรมชาติที่มันยึดกันไม่ได้ก็เลยบรรลุถึงธาตุรู้ไปเลยคือนิพพานธาตุนิพพานธาตุไปใช่ไว่าเอาตัวเราไปบรรลุถึงนิพพานธาตุอะไรมันรู้มันกลายเป็นรู้ถึงธรรมชาติเดิมแท้ๆของธรรมชาติของสองสี่คือธรรมชาติของสิ่งหนึ่งคือธรรมชาติที่ปรุงแต่งคือตัวเราที่เป็นกายเนื้อที่มีความรู้สึกเมื่อกินติดต่อปรุงแต่งและแสดงอารมณ์ต่างๆกับธรรมชาติ ของพุทธะคือผู้รู้ที่ไม่มีตัวตนไม่อะไรได้แต่รู้และธรรมชาติของสองสิ่งเนี้ยมันไม่สามารถยึบกันได้เพราะธรรมชาติของผู้รู้ไม่มีไม่มีเครื่องมือไม่มีไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยไม่มีกิริยาการใดๆเลยแต่จะเป็นธรรมชาติที่ได้แต่รู้สิ่งที่ปรากฏกิริยาการคือกายเนื้อที่มีความรู้สึกและคิดอารมณ์แต่ธรรมชาติของผู้รู้ไม่มีเครื่องมืออะไรมันไม่มีกิริยาการใดไม่มีเครื่องมือไม่มีอุปกรณ์ใดมันจึงมาจับยึด ขันห้าที่เป็นตัวเราที่กําลังคิดได้หรือตอนพุ่งแตกไม่ได้มันเลยเป็นธรรมชาติที่ถูกบังคับละมันต้องได้แต่รับรู้อย่างเดียวไอ้ที่มันเนี่ยได้แต่รับรู้อย่างเดียวเนี่ยมันคือนิพพานธาตุจึงไม่ใช่มีตัวเราไปบรรลุถึงอะไรจึงไม่มีตัวเราจะต้องดิ้นรนหนีออกจากทุกอะไรแต่จริงธรรมชาติสองสิ่งนี้มีอยู่แล้วมันเป็นธรรมชาติที่ยึดกันไม่ได้มันเป็นธรรมชาติที่อีกฝ่ายหนึ่งต้องรู้อีกฝ่ายหนึ่งต้องคิดแค่นั้นแหละดังนี้ กายเนื้มันจะคิดอะไรก็คิดไปเอมันเป็นอิสระโดยเสรีต่อธรรมชาติของพุทธะหรือนิพพานธาตุเลยเพราะมันไม่มีใครมาแทรกแสงตัวเราที่กาลังคิดหหอะไรเลยเพราะเราไม่ใช่เด็กในครันนี้ต่อไปแล้วเราเป็นคันหรือเมลูกนั่นไปแล้วเป็นพุทธะหรือเป็นธาตุรู้ที่ไม่มีไม่เป็นตัวตนไี่มีเครื่องมือใดๆ ไ, ไปตลอดกาลไอ้ตัวเราที่ยังคิดอยู่ยังไม่ตายมันก็ยังคิดไปตลอดกาลนะเลยเป็นอิสระต่อกนะัน เป็นอิสระกักนที่ลำปูรีท่านเคยพูดอยู่เรื่อยๆว่าความปิอิสระเป็นสุขในโลกความปิดอิสระเป็นสุขในโลกเนี่นะตัวเราจะคิดยังไงไม่มีใครที่จะหลงในตัวเราเนี่ยหลงไปกับความคิดเพลิไปกับความคิดเพราะไม่มีตัวเรา เ, เพราะว่าไอ้คักนกับกับลูกเนี่ยมันไม่ได้ติดกันดังนั้นเราเป็นคันที่ไม่มีตัวตนเนี่ย มันก็เลยถ้าเรารู้เรารู้ว่าแล้วเราเราแจ้งใยใ จ, ข อ, จ, ใจใใใใของเราเรารู้แจ้งใยใจของเราว่าเราเป็นคันที่ไม่มีตัวตนแล้วจิงไม่มีตัวเราที่หลงติดไปกับความคิดไม่ติดไปกับไรายได้และเมื่อหลงไปติดไปกับอะไรไม่ได้เพราะตัวเราไม่มีก็มไม่มีตัวเราที่ไปแทรกแซงตัวเราที่กําลังคิดอะไรไม่ให้คิดจิตเป็นอย่างนี้ให้เป็นอย่างนั้นจิตเป็นองั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ยิบมันเบาอยากให้มันเบายิบมันหนักอยากให้มันเบามันทําไม่ได้เพราะว่าธรรมชาติของธาตุลูกมันไม่มี ตัวตนไม่มีเครื่องมืออะไรมันทำไม่ได้ธรามาติาของมันได้แต่ให้แค่เกิดมาให้แค่ได้รู้เฉยแต่ไอตัวเราที่พอจิตมันมีอาการไม่ถูกใจเราพยายามเข้าไปปรุงแต่งมันอาศัยขันห้ามาปรุงแต่งมาช่วยจัดการจัดการเราเลยหลงอย่างนี้ตลอดเลยเลยกลายเป็นขันห้าที่ปรุงแต่งตลอดไปในที่เราไปรุงแต่งเรารู้ว่าเราอใจแ่แแแลออกมา ละความหลงออกมาแค่ละความหลงออกมาอะละความห ล, ล, ลงนะไม่ใช่ว่าไปละอาการไปเปลี่ยนอาการนะอือ๋อถ้าเรารู้นะี้ เอถ้าความรู้นั่นน่ะเป็นความรู้ที่มันแจ้งในจิตเลยคือรู้ว่าเนี่ยไอเนี้ยไอเราเนี่ยเข้าไปเข้าไปไปแทรกแสงใช่ไหมแล้วเรารู้เหนือขึ้มไปอีกคือว่าเออแล้วมันก็รู้ไปอีกว่าแท้จริงอะ่ะไอที่แทรกแสงเนี่ยมันก็เป็นขันท่าเป็นเด็กในคันที่แสดงกริยาการแทรกแสงแต่เราเนี่ยเหนือกริยาการของแทร์ใจคือเราเป็นคันที่รู้ว่า มีการแทรกแซงเกิดขึ้นเราเรารู้อย่างเดียวเนี่ยถ้าเรารู้แล้วเราไม่เข้าใจเราพยายามจะให้มันไม่แทรกแซงเนื่องจากกลับไปแทรกแซงเรายังไม่ให้แทรกแซงมันจะกลับไปเข้าแทรกแซงแต่ถ้าเรารู้พร้อมกับปัญญาที่มาพร้อมกันเนี่ยเราจะรู้เลยว่าตอนเนี้ยมันมีกิริยาอาการที่เข้าไปแทรกแซงมันเป็นเด็กในครั้ที่เกิดขึ้น ใจมันก็เลยรู้ว่ามีการแทรกแซงแล้วก็เอามาบอกเราได้ว่าเนี่ยเห็นไหมเด็กในคันเกิดขึ้นแล้วคือเกิดแสดงเกิดยาอาการที่แทรกแซง แ, งแต่ไอ้ใจเนี่ยมันไม่ได้ตัวมันเป็นคือใครก็ไม่รู้แต่มันบอกได้ว่าในใจเราเด็กที่เกิดกินยาอาการแทรกแซงขึ้นจึงเอาใจใจที่มันรู้แล้วเนี่ยแล้วมาบอกเราได้ว่านี่ไงมันเกิดเด็กคนหนึ่งแล้วคือมีการแทรกแซงเกิดขึ้น ถ้าเรารู้พร้อมแบบเนี้ยแม้แต่มันจะแทรกแซงมันก็ไม่มีความหมายต่อใจแล้วต่อไปเราก็จะไม่หลงไปแทรกแซงเองแต่ถ้าเรายาังไม่เข้าใจรู้โดยไม่เข้าใจเราก็จะปัดมันออกแล้วต่อไปเราเข้าไปแจรกแซ ง, งแล้วก็ได้ปัดมันออกแล้วเข้าไปแทกแจงเพราะเราไม่ใช่รู้ด้ความเข้าใจแต่เราแค่กันมันแค่ไหนเราไม่ได้รู้อะเราไม่เราเป็นคันไม่ใช่เด็ก เราการไปเป็นเด็กเราก็จะกันเด็กแต่และคนทีมเด็กอีกคนออกไปเราจะทีบเด็กแล้วคนออกไปแล้วเราจะจะเหลือเป็นเด็กไว้เลยมันเหมือนเด็กวัวแฝดที่ไออะไรไอไอลูกาลูกอะไรที่มันอยู่ในในไข่เดียวกันมันก็จะถีมไอตัวนี้กระเด็นตกไปแต่ที่จริงไอที่ทีมออกไปได้ที่จะปัดไว้ได้มันคือเอาอีกตัวหนึ่งมาถีบอีกตัวนึ่งแใจมันทํางั้นไม่ได้ ถ้าเราหลงแล้วไปสติคือตัวมาว่าให้เรากําลังทําผิดธรรมชาติของเราไปแล้วเราเป็นคันที่เป็นผู้รู้ที่ไม่มีตัวตนทําไมเราไปแทรกแซงอะไรได้ละแค่เนี้ยปัญญาไม่เกิดอาเราทําผิดหนา้นาที่ไปแล้วไปเราไม่มีหน้าทีม่มีเราไม่มีตัวตนเราเป็นคันเหมือนกับมนลษย์ที่ที่ให้กําเนิดสิ่งที่ปรากฏอาการเราเป็นผู้ไม่มีตัวตนแต่แต่รับรู้ที่ไม่มีเครื่องมืออะไรเลยอ้าวทำไมเราไปแทรกแซงอะไรได้อะนี่มันมีปัญญาเพอเลยแบบไหน ต่อไปมีกิจยาอะไรเกิดขึ้นในใจมันเป็นถือเป็นเด็กหมดเลยเป็นเด็กที่มาเกิดในคันหมดมันไม่มีข้อหมายต่อใจต่อไปเลยเด็กคันเองพอมันรู้แบบนี้มันเกิดกันที่สองตัวที่สามมีอาการอย่างเงี้ยจะไม่มีเราหลอไปคนแจกแจ๊เ ง, งเลยเข้าใจไหมเนี่ยที่พะยาเน่ค การจบแล้วรู hat, อ้อาหารก็คือว่าท่านทั้งรู้ทั้งเห็นพร้อมเข้าใจไปพร like ้อมกันในตัวของท่านไงว่าเอาไอ้จักรวาลนี่ไม่ใช่ว่ามีตัวเราไปจับตรวาลหรอกคือว่ามันเป็นธรรมชาติที่ไอ้เราเนี่มันไม่มันเป็นไอ้ธาตุรู้ที่ไม่มีตัวตนไม่มีอะไรมันเลยไปแทรกแซงอะไรไม่ได้ไปจัดการอะไรก็ไม่ได้อ๋อมันก็อ๋อเราเลยถึงรู้ความเป็นเราคือที่ไม่มีตัวตนเราก็ไม่ไม่คิดจะจัดการอะไรไม่มีการกระเพื่อมไม่มีการไหวตัวอะไรเลยเราตลอดกาลแต่ขันธ์ห้ยังมีอยู่ก็คงแสดง อาการไปให้ถุกให้รับรู้เลยไปทุกขาลาปัจจุบันก็เป็นแค่นี้เองก็มีชีวิตอยูจะทําขันห้าจะทําอะไรก็ทําไปแต่ผู้รู้ทําอะไรไม่ได้เลยเพราะมันเป็นธรรมชาติที่สร้างมาได้แต่แค่รับรู้ที่พฤริยาการใดๆไม่มีเลยคิดก็ไม่ได้พรุงแต่งอะไรก็ไม่ได้แต่ที่คิดที่พุงแต่งได้เป็นเรื่องของขันห้าทั้งนั้นเลย นันไอ้เลามีชีวิตยอยู่แล้วทําอะไรต่อไปเรื่อยๆของเราเนี่ยต่อให้เราเข้าสู่พุทานแล้วเนี่ยสิ่งที่ไปทําอะไรได้ไปคิดไปหาความรู้ความเข้าใจไปเชื่อเหล่าคนอื่นได้พาตัวไปโน่นไปนี่ได้รู้แต่ เ, เรื่องของขันห้ามันเท่านั้นเลยไอ้ผู้รู้เนี่ยมันไม่ทําอะไรไม่ได้เลยมัน ไ, มได้แต่รู้อย่างเดียวถ้าจะพูดถึงว่าผู้รู้เขาเรียกว่าผู้ชุบมือเปิดอย่างเดียว่เวลา้ขันห้าทุกไอ้ผู้รู้เนี่ยมันก็ช่วยกันห้าไม่ได้มันก็รู้แต่ว่า เนี่ยผมทุกมากเลยหนูทุกมากเลยแล้วมาบอกเราได้แต่ไอคนทุกเนี่ะแท้จริงอ่ะเป็นตัวไอขันห้าทุกแต่ไอผู้รู้เนี่ยมันรู้แล้วมันก็มันเอาไอขันห้ามันใช้ขันห้าเหมือนน่ะบ่เหมือนก็ใช้แต่จริงไม่ได้ใช้มันได้แต่รู้มันรู้ว่าไอขันห้ากาลังทุกมากเลยตอนเนี้ยแล้วก็ไอขันห้าเนี่ยมันทุกมันก็ได้แต่ทุกทุกแต่ไอผู้ที่รู้ไอขันห้าเนี่ยตัวเราเนี่ยกาลังทุกมากเลยไอนั้นเนี่ยคือพุทธะหรือธาตรู้หรือหรือหรือคันแต่ไอไอตัวเราที่กำลังทุกมันเป็นเด็กในคั้น ไอคันเนี่ยหรือมรู้เนี่ยมันก็รู้ว่าตอนเนี้ยให้เด็กที่มาเกิดคือตัวเรานี่แ น, น, นี่ยที่มาเกิดเนี่ยไอ้ขันห้าเนี่ยมันเป็นเด็กที่ทุกมาเกิดเมื่อรู้แล้วปุ๊บไอ้ขันห้าก็เลยมาบอกเราว่าตอนเนี้ยไอ้ขันห้คือตัวเราเนี่ยเป็นทุกมากเลยผมเป็นทุกมากเลยอาจารย์ผมหนูเป็นทุกมากเลยแต่จริงรู้ได้ยังไงว่าเป็นทุกอะตอนนี่ไงถูกรู้มาไอค้คันเน่ยเนี่ยมารู้มาว่ามีเด็กที่เป็นทุกมาเกิด นั <açık> <S <S ้นไอ้เด็กที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์มันก็คือเด็กหมดเลยใช่ใช่ใช่ใช่ก็ไม่มีความหมายใช่ใช่รู้แต่ มันได้แต่ว่าทุกอันที่มาเกิดขึ้นทุกกริยาการที่มาเกิดขึ้นไม่มีความหมายต่อใจแค่นั้นเองไม่ต้องรู้ว่าเด็กเนี่ยมันหลุดจากคันไปตอนไหนคือดับไปตอนไหนแต่ไม่ว่าเด็กคนไหนที่มาเกิดในขณะปัจจุบันนั้นไม่มีความหมายต่อใจเพราะว่าใจนี่มีตัวตนได้แต่รู้เฉยๆได้แต่สัตเรามารับรู้ไปบอกรู้เฉยๆหรือไป ท, ทําจิดเฉยๆได้แต่รับรู้นั้นแค่รู้ว่าเนี่ย นี่อะไรมาเกิดในคันแล้วมไม่มีไม่มีความหมายต่อใจแค่นั้นเนี่ยเพาะใจไม่มีตัวตนไอการที่รู้ ว, ว่ามีเด็กอะไรมาเกิดในคันเนี่ยแล้วรู้ว่าไ อ, ไอเด็กที่มาเกิดในคันมันไม่มีความหมายต่อใจเนี่ยมันก็เป็น بة بة เบ็ดเสร็จเลยของความรู้ n, อันนั้นเนี่ยพุทธะเนี่ยมารู้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่มีความหมายต่อใจมันรู้เว็ดเสร็จแบบนี้เลย อันนี้ยเป็นความรู้อันสูงสุดแหละนี่คือเรียกว่าพุทธะมันไม่ใช่ว่าไปทํารู้ให้ตัวมันเองว่างเปล่าที่คนพยายามไปทําไม่ใช่มันได้แต่รู้ว่าทุกอย่างในโลกเนี้ยและทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจไม่มีความหมายต่อใจเลยได้แต่แค่จับแต่ว่ารับรู้ นี่ยที่พยักเข้าถึงความจริงนี้เลยในในในปัจจุบันเดียวเลยขนาดจิตเดียวรู้อรหันเลยว่าอ๋อถ้าอย่างเงี้ยใจไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยเนี่ยถ้าอย่างเงั้นเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติอะไรที่มันเป็นยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆทั้งวันเลยเพราะว่าใจไม่ไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยจึงไม่มีความไม่มีอะไรเลยที่มีความหมายต่อใจเพราะว่าใจมันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีตัวตนอดไเลยเลยว่าทุกอย่างในโลกเนี่ยมันจึงเป็นมันก็ เห็นอะไรมันก็คงเป็นอย่างที่มันเป็นนะเนี่เพราะไม่มีอะไรทุกอย่างอะไรไม่มีความหมายต่อใจเพราะใจมันเหมือนกับพูดง่ายเหมือนกับใจที่มีไม่มีตัวใจดังนั้นของทุกอย่างในโลกนี้จึงไม่มีความหมายต่อใจเสียงก็ไม่มีความหมายต่อใจกินก็ไม่มีความหมายต่อใจรถก็ไม่มีความหมายต่อใจสิ่งที่มาสัมผัสผิวกายก็ไม่มีความหมายต่อใจสรุปแล้วคือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่เกิดขึ้นทุกกริณาการเหมือนเด็กที่มาเกิดในครรภ์ก็ไม่มีความหมายต่อใจ เพราะใจไม่มีตัวตนไม่มีตัวใจอ๋อคือเข้าถึงใจที่ไม่มีตัวตนไม่มีตัวใจจึงไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่มีความหมายต่อใจจึงไม่ใช่ว่าไปทําให้ใจที่รองรับหรือว่าจะว่ารองรับไม่ไดคือเป็นที่เด็กมาเกิดที่รู้ว่ามีอะไรมาเกิดในใจแล้วไปทําใจให้ว่างไว้อย่างนี้ไม่ถูกไม่ใช่นี้ผิดมหาเลยไม่ใช่ไปทําใจให้ว่างไว้ อย่างนั้นเนี่ยความรู้สึกว่างมีความหมายต่อใจหลงไปแล้วแม้แต่ความรู้สึกว่างยังไม่มีความหมายต่อใจเลยเพราะตัวใจไม่งดังนั้นว่างหรือไม่ว่างกงไม่มีความหมายต่อใจแต่คนเนี่ยไปแปะไปครับ ไ, ไ, ไ, ไปเลยไปอีกเลยสลิดไปอีกว่าโอ้ถ้าใจไม่คิดอะไรมันจะว่างแล้วเอาความว่างอ่ะเป็นความหมายเป็นสารณาต่อใจเลยกลายเป็นความว่างอะ่ะมีความหมายต่อใจ พอถึงข่าวใจไม่ว่างเป็นทุกข์เลยจึงแคบจะพูดได้ว่าใจไม่มีตัวใจหรือใจไม่มีตัวตนเมื่อเป็นธรรมชาติจีิใจไม่มีคือไม่มีตัวตนหรือตัวตนของใจไม่มีดังนั้นเนี่ยใจมันไปรู้อะไรเนี่ยมันจึงไปทําอะไรสิ่งที่ถูกรู้ไม่ได้เลยอ่ะ เพราะมันไม่มีตัวตนมันจะไปทําอะไรสิ่งที่ถูกรู้และสิ่งที่ถูกรู้ก็มาทำอะไรมันไม่ได้ก็เพราะว่ามันไม่มีตัวไงใจไม่มีตัวไม่มีตัวใจนั้นใจไปดูอะไรมันไปทําอะไรสิ่งที่ที่ถูกรู้ไม่ได้เลยมันไปทําอะไรต่อลูกและลูกก็มาทําอะไรต่อมันไม่ได้มันไปทําอะไรต่อเสียงเสียงก็ทําอะไรต่อมันก็ไม่ได้มันไปทําอะไรต่ออาการของใจอาการของใจที่เจนี่ก็มาทำอะไรต่อมันไม่ได้ภาษาพูดเขาเรียกว่า ลูกลดกินเสียงสัมผัสหรือความรู้สึกเมื่อคิดหรืออาการที่เกิดขึ้นในใจทุกชนิดไม่ว่าจะถูกใจไม่ถูกใจไม่สามารถทําอะไรใจได้เลยภาษาจึงใช้คําว่าสักแต่ว่าสักแต่ว่ารู้ทําได้แค่นั้นอย่างสักแต่ว่ารู้เพาไม่มีอะไรมีความหมายต่อใจจึงไม่ใช่เอาตัวเราไปทํำสักแต่ว่ารู้มันเป็นธรรมชาติที่เป็นอย่างนั้นจริงๆนั่งง่วง เข้าใจนัืนไม่เข้าใจหรื อ, อยิงฟังเรืออยิงงงอย่าเอาตัวเราไปคิดวิเคราะห์เพราะเราคือใจเรามันมีปราษาที่สมมติพูดกันแต่ตัวเราไม่มีเราคือใจที่ทคิดวิเคราะห์ไม่ได้นะแต่ท่านทั้งหลายกลากลังกาลังนั่งคิดวิเคราะห์ อ, อยู่เอาตัวเราไปคิดวิเคราะห์เลยเราเป็นใจไม่ใช่ว่าเอาตัวเราไปคิดวิเคราะห์ เราเป็นใจที่ได้แต่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจไม่ใช่ ว, าวบบบนะ่าเอาตัวเราไปนั่งคิดวิเคราะห์แบบนี้นะเพรอตัวเราไปนั่งคิดวิเคราะห์แบบเนี้ยมันก็ผิดประเภทอยู่ในนั้นเนี่ยเราเอาเราไปเป็นเด็กที่เกิดขึ้นในคันตลอดเลยแทนที่จะว่าเราเนี่ยกำลังคิดอะไรอยู่แต่เราก็เราเป็นคนคิดตะเองเราจะรู้ได้ไงว่าเราเราคิดอะไรอยู่นี่เรานั่งคิดเอาคิดเอาคิดเอาคิดเอาวิเคราะห์นานดิ id, บวิเคราะห์บัวตามที่เราพูดเนี่ยเอาเราทําผิดประเภทเสรแล้วอย่างนี้เรากลายเป็นเด็กในคันแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่ เยังไม่เข้าใจเกาจะพูดยังไงก็ใจว่าเนี่ยเราอุลาบพูดขนานี้นะเดี๋ยววันนี้มันคงยังไม่เข้าใจเดี๋ยวต้องหาพูดเรื่องอื่นอีกเราเปรียบเทียบหลายหลายอย่างอันนี้มันพูดได้แค่เปรียบเทียบให้เราเข้าใจเราไม่รจะพูดยังไงเราหลับเปรียบเรียบเป็นคันหรือมนุษย์ลูกและเด็กไอ้กายการมันเด็กที่เกิดในคันทุกอย่างเนี่ยมันพุทธเจ้าตรัสว่ามันพูดไอ้ที่มันเป็นคำพูดไม่ได้เพราะว่าเป็นของไม่มีจะพูดยังไงอ่ะ มันก็ต้องพูดสมมติเป็นสมมติให้ฟังเนี่ยเพื่อจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพโปรเห้เข้าใจอย่าเพิ่งเข้นเอาพักก่อน